ด้วยมีลินทปัญหานิดหน่อยเพราะว่าอ่านดูแล้วตรงนี้ไม่เร็วน <c oughs> คื อ, อพระพูยิภาคทรงชี้ให้เห็นองค์ห้าแห่งภูเขาเพื่อที่จะเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรม ชื่อตับพระตังคปัญหาพระเจ้ามิลินก็ได้ถามพระนาคเษนนะว่าท่านกล่าวว่าพึงถือเอาองค์ห้าแห่งภูเขาองค์ห้าที่พึงถือเอานั้นเป็นชไหนนะนี่แสดงว่าพญามิลินที่ยกปัญหาขึ้นมานี่นะไม่ได้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับหมายความว่า ท่านพอเป็นนักปราชญ์นะฮะก็เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็สนทนาธรรกับพระอรหันต์นี่นะครับท่านก็ยกข้อความซึ่งเป็นข้อความบางตอนจากจากพระธรรมนะจากพระสูตรนี่นะแล้วก็มาถามมิฉะนั้นแล้วก็ผู้ตอบก็คงจะถ้าอย่างนั้นนะถ้าเป็นผู้ตอบคงจะตอบนึกเอาเองใช่ไหมครับแต่ผู้ตอบนี่ก็มีอ้างอ้างพุทธพจน์ด้วยนะหรืออย่างน้อยก็อ้างภาษิตของ อักษรศาวกนะครับนะพระเจ้าเมลินก็ถามมาองค์ห้ า, างภูเขานะ่พึงถือเอาเป็นชไหนพระนักเกษตบอกว่าขอถวายพระพ ร, พรมหาบาพิษเปรียบเหมือนว่าภูเขาไม่สันไม่วันไหวไม่คลอนแคลนฉันใดขอถวายพระพรพ ร, พระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียร ไม่พึงกำหนัดในธรรมทั้งหลายอันน่ากำหนัดไม่พึงประทุษร้ายในธรรมทั้งหลายอันน่าประทุษร้ายไม่พึงลุ่มหลงในธรรมทั้งหลายอันน่าหลงไม่พึงหวัน่นไม่พึงสันไหวในความนับถือความดูหมิ่นในสักการะในอสักการะในการทำความเคารพ ในการไม่ทำความเคารพคือไม่หวั่นไหวทั้งหมดอะนะในยศในความเสื่อมยศไม่มีหวั่นไหวทักอย่างเลยในนินทาในสลรเสริญในสุขในทุกข์ในรูปในเสียงกลิ่นรสผลภัณฑและธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่น่าปรารถนา และไม่น่าปรารถนาะหมดเลยเกลี้ยงเลยพึงเป็นผู้หาความสันไหวไมิได้ดุด จ, จะภูเขาฉะนั้นฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพร น, นี้คือองค์ที่หนึ่งแห่งภูเขาที่พึงถือเอาขอถวายพระพรพระผู้ญิภาคผู้ทรงเป็นเทพยิ่งเหล่าเทพทรงพาษิทความข้อนี้ไว้ว่าเห็นไมเป็นภาสิตนะพุทธาษิตธ ภูเขาศิลาทึบตันเป็นอันเดียวกันย่อมไม่โอนเอ็งไปเพราะลมชั้นใดบัณฑิต ท, ทั้งหลายก็ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะคำนินทาและสลรเสริญชั้นนั้นนะดังนี้ขอถวายพระพรเอาเอ า, เอาองค์เดียวพอวันนี้นะครับถ้าใครอยากอ่านองค์อื่นไปหาอ่านอเองเพราะว่าแนะนำไปแล้วเนะ มันจะยืดยาวเกินไปเออความจริงข้อความนี้นี่นะครับรู้สึกว่าพระภูริภาคจะจะเน้นเรื่องผู้ที่บวชมากกว่านะนะมักจะเน้นผู้ที่อยู่ในเพศบรรณชิตนะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ชื่อพวกผมนี่ได้ชื่อภิกษุได้ไหมครับเนี่ยถ้าประพุติธรรม อ่าเป็นภิกษุโดยข้อปฏิบัตินั่นแหละเป็นภิกษุโดยข้อปฏิบัตินะครับใช่ครับเอ่อความไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้ารวมร ว, วมเรียกแล้วก็คือโลกธรรมนะฮะในโลนกสูตรท่านกล่าวบอกว่าโลกโลกธรรมย่อมหมุนไปตามโลกเนะะี่ยและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมแหมนี่น่าคิดมากเลยนะครับ โลกกระทำย่อมหมุนไปตามโลกแล้วก็โลกก็หมุนไปตามโลกกระ ท, ทำเนี่ยถ้าโลกกระทำเนี่ยโลกกระทำก็คืออะไรบ้างครับนะแปดอย่างใช่ไหมครับได้แก่อะไรครับเอาขึ้นต้นไหนครับลาบ เตราบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสุขกับทุกสารเสริญกับบินทานใช่ไหมครับนี่เป็นธรรมะประจําโลกนะครับเป็นถ้าเราลึกถึงคุณข้อว่าโลกกับวิธูนะในเจริญพุทธคุณก็มีอยู่ข้อหนึ่งคือโลกแปดคือธรรมะประจําโลกธรรมะประจําโลกคือประจําอะไรครับประจําโอกาสโลกหรือว่าประจําสัตวโตวโลกสัตววโลกหรือว่าสังขารโลกนั่นแหละ แล้วเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันตามไปยังไงครับโลกกระทำย่อมหมุนไปตามโลกมันหมุนไปจริงๆนะเรามานี่นะผมก็ตามมาเนี่ยสุขทุกข์มันตามมานี่เลยนะครับเนี่เราเดินทางไปตามประเทศมันก็ตามไปนะสุขทุกข์เนี่ยมันตามไปนะเข้าครัวมันตามความเป็นกันนะออกจากครัวเข้าห้องน้ํามันตามไปเหมือนกันนะสุขทุกข์มันตามไป เราอยู่ที่ไหนเราไม่พ้นคนนินทาและเราบางทีเราก็นินทาเขาไปด้วยนะนะสรารเสริญแล้วไปไหนก็บางทีก็สรารเสริญเนะียบางทีเราก็สรารเสริญเขาเนี่ยมันหมุนไปตามเราจริงจริงไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับ <S <S เสร็จแล้วโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมนี่สิครับเนะี่ยพอเราได้รับลาบ แล้วก็มุนไปตามลาบลาบพาเราไปเรื่อยครับพอรรับคันเสริญโลกก็ตามคำสเสริญไปอีกอข้อความนี้เพลรจริงนะเนะหมุนกันตามกันเป็นเกลียวเลยเนะีแล้วก็อ่ข้อความที่ที่สรุปไปตอนท้ายบอกว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับโลกกรรมำแปดย่อมครอบงําจิตของเขาได้ อริยสาวกผู้ได้สดับโลกธรรมแปดย่อมครอบขอโทษขอโทษอริยสาวกผู้ได้สดับโลกธรรมแปดย่อมครอบงมจิตของท่านไม่ได้นะครับก็สรุปตอนทยตรงนี้ก็น่าคิดทีเดียวนะครับที่ในมิลินทปัญหานี้เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าความวันไหวทั้งหลายนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านจะมีข้อคิดเห็นประการใดบ้างครับ เราลองสงเคราะห์ธรรมะที่ว่านี้โดยอริยสัจดูสิเป็นยังไงเนะี่ยูเขาหินแท่งทึบใช่ไหมไม่หวันไหวในลมที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ฉันได้บัณฑิตทั้งหลายก็ไม่วันไหวในโลกรธรรมฉะ น, นั้นเหมือนกันโลกรธรรมข้อแรกก็คือ ได้กับเสียใช่ไหมได้ลาบเสือมลาบอ่ะลาภาแปลว่าได้อ่ะไม่ใช่ลาบหมายถึงซุปหน่อไม้นี่ซุปอย่างใดอย่างหนึ่งะนะไม่ใช่เอาเนื้อมาสับๆแล้วก็ใส่ผักชีโรยก็ไปเรียกว่าลาบคำว่าลาบลาภาแปลว่าได้มีได้มีเสียสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเลยนะได้กับเสีย เช่นอารมณ์อย่างหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งเสียใช่มของสิ่งเดียวนั้นเน่ะจะมองคนละมุมเลยอีกคนว่าได้อีกคนว่าเสียได้ถ้าพูดถึงได้เป็นอิทธารมใช่ไหมทำไมพระอรหันต์จึงไม่ถูกโลกธรรมครอบงำเพราะพระอรหันต์ชาวนาท่านไม่มีโลภะอ่า ที่ที่เรียกว่าได้นั้นก็คือโลภะที่ไปยินดีในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าได้โลกธรรมถ้าหากว่าเสื่อมลาบ ก, ก็คือโทมนันะโทสะชวะณะเป็นโทสะในการรับอารมณ์อันนั้นนะได้เสียแล้วก็ต่อไปก็ได้ยศเสื่อมยศคือยศก็คือพวก บริวารยศเป็นต้นะนะเดี๋ยวมีคนมาหาเดี๋ยวก็มีคนจากไปอย่างนี้นมีคนมาห้อมล้อมเรียกว่าจัดฉากกันนะเสร็จแล้วก็กระจายออกไปมันก็เป็นลักษณะเนี่ยเขาเข้าออกออ ก, ออกอยู่งนั้นเหละส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีการประชุมเรียกว่ามียศยศในที่นี้หมายถึงบริวารยศเป็นต้นะนะก็ดีใจกันโสมนัสโลภะอีกและพอเสื่อมยศมีคนจากไปก็ ภาษีจ่ายอีกพระอาหารรูปหนึ่งท่านท่านมั่นคงในเรื่องนี้อท่านมาบวชท่านบวชท่านเป็นลูกเศรษฐีนะก็มีศรัทธาบวชเสร็จแล้วก็ไปบวชแล้วอยู่ไปอยู่ที่อื่นนอนจนเป็นพระอาหารแล้วก็กลับมากลับมาบ้านมาทางบ้านมาสงเคราะห์ญาติทีนี้ญาติก็มาชวนให้ท่านศึกท่านก็ไม่ศึกไม่ศึกญาติก็เลยไปบอกภรรยาว่า ไปเอาเอาผัวศึกละทีนี้ภรรยานี่ก็ไปเขาบอกว่าตอนที่พระบวชเนี่ยภรรยาเนี่ยท้องแต่ว่าองค์บวชนี่ไม่รู้หรอกนี่ก็ไปทีนี้ก็ลูกก็โตพอสมควรอ่ะภรรยานี่ก็อุ้มลูกไปเลยไปให้ท่านศึกอะ่ะทีนี้ไปถึงก็บอกสมณะท่านมันต้องมาเลี้ยงอ่ะนะทีนี้ท่านก็เฉย แล้วก็ธรรมนนี่ลูกท่า น, น่นก็วางไว้ท่านก็นั่งเฉยภรรยาก็ไปแอบดูอะ่ะท่านจะทํำยังไงเสร็จแล้วเห็นว่าท่านก็นั่งเฉยอยู่นั่นแหละท่านก็เลยไปอุ้มลูกเนี่ยไปพระพุทธเจ้านี่เห็นโสมนัสเลยดีใจว่าใจของพผ้ารหารเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละท่านไม่ได้ดีใจเลยว่าตอนที่ภรรยานเนี่ยมาหาไม่ได้รู้สึกเลยตอนมาค่ะตอนไปไม่ต่างกันเลยคุณภาพจิตนะอันผ้ารหารนั้น มั่นคงไม่หวันวนกก่นไหวในโลกธรรมอย่างนั้น น, นไม่รู้สึกว่าดีใจเลยเมื่อภรรยาเก่ามาหาเสียใจเหลือเกินที่ลูกและภรรยาจากไปเหมือนเดิมเหมือนกับตอนมาและตอนไปใจท่านก็ปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็พระรหารนั้นเป็นผู้ที่นินทาและสารเสริญเนี่ยท่านก็มั่นคงอันนินทานั้นชวนะที่รับนินทาส่วนใหญ่จะเป็นโทสะนะ ภาษละเสริญได้รับคําชมอย่างใดอย่างหนึ่งคํายกย่องอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็บ่งถึงโลภะแล้วก็สุขเวทนาก็บ่งถึงว่าชาวนาเป็นโลภะทุกขเวทนาชาวนาก็เป็นโทสะพัะะนธ์นิมิตโลกธรรมทั้ง8ดนั้ น, นก็คือเป็นนิมิตบ่งบอกถึงชวนาจิตนั้นนั่นเอง ว่าถ้าหากว่าตระกูลเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและความทุกเลี่ยชวนะเป็นโทสัตความคิดเป็นโทสัตถูกโทสัตนี่ประทุทสร้ายเอาถ้าหากว่ า, าว อ, อ, อารมณ์ที่ได้รับคือลาบคือการได้มีบริวารได้รับการสรรเสริญได้รับความสุขชวนะก็เป็นโลพานี่เป็นสัจจะหรือยงัง เป็นนะนะตัวโลภะที่ยินดีในสการะเป็นต้นเป็นสมุทัยสัตว์เนะี่ยตัวอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นทุกขสัตว์พระอรหันเนี่ยท่านรู้สัจจะทั้งสี่แล้วท่านวิผพานการวิจัยมาเรียบร้อยหมดแล้วเลยมั่นคงไม่หวั่นไหวาถามว่าการศึกษาในศาสนานี้มีศึกขาสามน อธิศีลสิกขาที่ปัญญาสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกข า, ข า, ญญ า, ขาถ้อยคําตรงนี้ประกาศอธิปัญญาสิกขาว่าอธิปัญญาสิกขานั้นเมื่อบุคคลเจริญจนถึงที่สุดก็จะไม่หวั่นไหวในอารมณ์นะผู้ที่เห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะจะมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเป็นจิตที่เกษมนั้นผู้ที่เห็นอริยสัจและจะมั่นคงแบบนั้นนะถ้าระดับพระอรหรันต์นะ เพราะว่าพระอรหันต์นี่ใจของท่านก็เหมือนกับภูเขาหินนั่นเองหรือว่าเสาเขื่อนเ ส, า, นะเสาอ่นที่เสาอินทขีนเนี่ยเสาสมัยก่อ น, นที่เขาฝังสมมติว่ายาวสิบแปดอกเนี่ยยาวสิบหกอกฝังลงแปดอกสูงขึ้นขย่อยังไงก็ไม่สั่นสะเทือนชั้นใดจิต <c oughs> จิตใจของพระริยเจ้าก็จะเป็นในลักษณะนั้นอันทีนี้ในของพวกเรานั้นเราก็มาศึกษาโลกธรรม เพาชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปกับเรื่องราวเหล่านี้ตลอดเลยนะถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาโลกธรรมอินทรีย์สังวรศีลเราก็รักษาไม่ได้ในชั้นต้นเลยต้องทําใจให้เมื่อได้รับโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกุศลจิตทําอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นเมื่อได้ลาบอย่างไรเราก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมใครไม่ได้บ้างมันก็ได้แต่สิ่งที่ได้นั้นอนะ่ะแล้วแต่คุณภาพได้มากได้น้อยเช่นได้อาหารอย่างนี้ใช่ไหมได้อาหารหมดอาหาร ได้เข้าของเครื่องใช้ได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้ามาการได้อ น, นันเนี่ยเป็นนิมิตของโลภะสมุทัยสัตว์เกิดขึ้นอีกแล้วนะการสูญเสียจากไปก็เป็นนิมิตของโธสะเช่นการจับจ่ายใช้สอยนะตอนรับเนี่ยดีใจตอนจ่ายไปก็ไม่ค่อยดีใจอันทุกข์สัตว์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชีวิตก็อยู่ลักษณะนี้ทําอย่างไรเราจะศึกษาสึกขาสามในพระพุทธศาสนาได้คือสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดถ้าเราไม่มีศึก สิกขาสามชีวิตของเราก็ห่างคําสอนเท่านั้นแหละมันทําอย่างไรเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจึงจะใจเป็นไปกับคําสอนมากที่สุดทําไมจึงอ้างคําสอนเนี่ยคือเพราะว่าทฤษฎีเหล่านี้เราคิดเองไม่ได้เราคิดเอาเองไม่ได้เลยถ้าเราคิดเองได้เราก็เป็นพระปัจเจกหรือไม่ก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในฐานะเป็นสาวกก็พยายามนึกถึงคําสอนเหล่านี้ถ้านึกถึงคําสอนเหล่านี้ได้มากๆ เราก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก็ศึกษาว่าโลกธรรมเหล่านั้นๆ น, นเนี่ยคืออะไรนะก็เรียกว่าให้รู้ถึงที่สุดก็ยังดีถ้าเสียใจก็อย่าเสียถึงร้อยเลยเนาะ mm hmm. เสียสัก5้ิบก็ยังดีใช่ไหมรู้เท่าทันห้าสิบก็ยังดนะีถ้าเสียเต็มร้อยนี่ก็ไม่ไหวแล้ะเพี้ยนเลยก็มีนะคนที่ได้รับลาบเสียคนก็เยอะพ่อเหลิงใช่ไหมคนที่เสื่อมลาบเป็นบ้าก็ไม่น้อยนั่นแหละท่านเราก็พยายามศึกษา นะศึกขาสามเนี่ยต้องเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งนั้นๆเข้ากุศลจิตจะเกิดได้อย่างไรนะมันไต่ถามสอบสวนในเรื่องราวเหล่านี้เพราะชีวิตจริงๆของเราแล้วท่ารหันท่านก็เกี่ยวข้องกับโลกธรรมแต่จิตใจของท่านมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแต่ของเรานั้นถ้าโลกธรรมดีมาเราก็ดีด้วยนะเขอบอกว่าใจคล้ายๆกับลูกบอ่งเปี๊ยะเลยนะถ้าเขาเป่า พองถ้าเขาเอะไรมาแย่นนี่เนึ่ยก็แตกละก็อยู่อย่างนั้นพองแฝกแพองพองอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่ได้เข้าใจอารมณ์จริงๆนะอารมณ์นั้นๆเนี่ยมันเป็นนิมิตแห่งการเจริญกุศลธรรมทั้งหมดเลยถ้าเราศึกษาคําสอนดีแล้วทุกอารมณ์เนี่ยให้กุศลจิตเราเกิดได้นะทุกๆอารมณ์เลยใช่ไหมอากาศหนาวนี่ให้กุศลจิตเราเกิดได้ไหมได้ได เพราะอากาศหนาวนี่หลายคนนี่ให้ทานนะใช่มคิดจะให้เลยก่อนหน้านี้ไม่คิดจะให้เท่าไหร่เลยบางคนนี่ให้ผ้าให้อะไรเป็นต้นนี่คิดให้เพราะอากาศหนาวนี่เป็นปัจจยัยให้คนให้ทานแต่เพราะอากาศหนาวทำให้หลายคนเนี่ยเจริญกรรมฐานเจริญสมถวิปัสสนาอย่างดียิ่งเลยเพราะท่านปารอบว่าโลกันตนรกเนี่ยหนาวกว่านี้หลายสิบเท่านนัะ้นั่นแหละโลกันตนรกเนี่ยหนาวกว่านี้มากนะ นรกของผู้ที่เป็นวิชาทิเถียนหะนาวกว่านี้หลายสิบเท่าเขาบอกว่าอยู่ที่เขาเอขอบเขาจาักราวาลชีวิตคล้ายๆกับทั้งเขาซึ่งมันเกาะอยู่กับกำแพงเขาอันนั้เสร็จแล้วมันมืดมิดมีแต่ความหอยหิวมันคลานไปเจอกันเขา้าก็นึกว่าต่างฝ่ายก็นึกว่าอาหารซึ่งกันและกันเสร็จแล้วก็ตกลงไปในน้ำกรดแช่เยนะ็นน้าเนี่ยมันเป็นน้ำคล้ายๆน้ำกรด เสร็จแล้วก็จะละลายเป็นในนั้นแล้วก็เกิดใหม่ตรงนั้นนะจะไม่ตายตราบเท่าที่ไ อ, อ้อกุศลเจตนาเหล่านั้นไม่หมดนะนะคือเป็นผลน่ะที่ยังไม่หมดนะไม่หมดก็อยู่อย่างไงนยนะไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะก็แผดพะหมกไหมอยู่ในในรกเย็นอันนั้นเนี่ยตลอดเวลาอันผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจ ต, ตรงกันข้ามมีความคิดวิบัติตรงข้ามกับอริยสัจ นั่นแหละคือที่อยู่ของผู้ที่มีความเห็นตรงข้ามกับการรู้จริงในเรื่องอริยสัจเพราะว่าผู้ที่รู้จักอริยสัจจริงๆแล้วจะรู้ว่าทุกสัต์บางอย่างก็เป็นกุศลทุกสัต์บางอย่างเป็นอกุศลทุกสัต์บางอย่างเป็นอัพยากตะในทุกสัต์ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นกุศลอกุศล อ, อัพยากตะเหล่านั้นเนี่ยกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุข แต่พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่ากุศลมีโทษใช่ไหมบอกว่ากุศลมีโทษอกุศลเนี่ยมีโทษแต่พวกมิจฉาทิฏฐิบอกว่าอากุศลเนี่ยไม่มีโทษอัพยากตะธรรมนี่ไปสําคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามีสาระหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลและอัพยากระตะทํามองอย่างนี้โอ้โหคิดไกลตัวเลยนะในร่างกายของเราส่วนไหนเป็นอัพยากตะบ้าง ไล่ดูนะอัพยากตะเว้นความคิด <c oughs> ที่เหลืออัพยากตะหมดเลยนะไล่ต่างกับหัวโจดเท้าเท้าโจดหัวเว้นแต่ความคิดอย่างเดียวที่เหลือเป็นอัพยากตะหมดเลยอัพยากตะเหล่านี้คนให้ความสําคัญเป็นสาระจริงๆเลยนะโอ้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องประดับตกแต่งเนี่ยมากมายขนาดไหนใช่ไหมโอ้มันก็สาระบํารุงบําเรอหาเลี้ยงอยู่ทุกวันก็คือหาเลี้ยงเหล่านี้แล้วแหละ หาเลี้ยงอัพยกตะธรรมเหล่านี้คนให้ความสะให้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นสาระเขาเรียกว่าปัญหาปากท้องเขาบอกงั้นแต่แล้วยอมทําบาปเนี่ยเพื่อที่จะมาเลี้ยงอันนี้เนี่ยยอมทําบาปยอมทําอกุศลยอมให้โลภะเกิดยอมให้โทสะเกิดยอมทุกอย่างเลยนะอกุศลมันจะเกิดขนาดไหนก็ก็ยอมเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงอัพยากตะธรรมเหล่านี้ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าอัพยากตะธรรมเหล่านี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของเขาอะ่ะเขาอยู่ได้ไม่นานเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละพระองค์บอกว่าอย่างมากเขาไม่เกินร้อยปีร้อยปีก็เต็มทีแล้วนะเอาไหมร้อยปีนั่นแหละร้อยปีนี่ก็เต็มทีแล้วแต่ทุกคนเนี่ยสแสวงหาดินรนเพื่อเลี้ยงอัพยาคตาธรรมซึ่งอัพยาคตรธรรมเหล่านี้ก็ต้องเสื่อมสิ้นสลายไป ต, า, ตามปัจจัยของเขาเพราะสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยแล้วสิ่งนั้นหาความมั่นคงหาแก่นแท้หาสาระไม่ได้ แตท่ที่ที่น่าศึกษา ม, มากก็คือยอมลงทุนทำบาปลองลงทุนก่อกรรมทําชั่วสารพัดเลยนะเพื่อหาอัพยากตะธรรมเหล่านี้เนอากุศลเหล่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์มิฉาทิฏฐิบอกว่าไม่มีโทษเมื่อไม่มีโทษเข้าก็วัตตก็จะยาวไปขนาดนั้นเมื่อเขาเห็นว่าอัพยากตะธรรมเหล่านี้เป็นสาระก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็วนเวียนอยู่ในภพภูมิเพื่อ เพื่อตกแต่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในประเภทการมภูมิทีนี้ธรรมชาติของกามภูมินี่มันมีแต่จะดึงลงต่ำนยธรรมชาติของปัญจะเบญจะกามคุณแล้วเนี่ยรูปที่น่ารักน่าปรารถนาะน่าใคร่ยั่วยวนชวนให้กำนัดเนี่ยเป็นอารมณ์ของโลภะสส่วนใหญ่เมื่อโลภะเกิดนเนี่ยโลภะเนี่ยไม่เคยส่งเสริมให้คนเห็นอริยสัจง่ายๆนะโลภะที่เป็นไปกับกามาคุณทั้งห้าเนี่ยยากมาก ที่จะให้เห็นอริยสัจตรงกันข้ามปกปิดความจริงเหล่านั้นไว้โดยสิ้นเชิงอารมณ์ทั้ง5้าคือโรคเสียงกลิ่นรสพอธะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดามีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาและก็เป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา นั่นแหละทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่แก่นสาร น, นะคือพอที่จะมาเอาวินิจจะสาระในนั้นก็ไม่ได้เอาสุขะสาระในนั้นก็ไม่ได้เอาอัตตะสาระในนั้นก็ไม่ได้เพราะอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดจากปัจจัยใช่ไหมเมื่อเกิดจากปัจจัยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปตรมจิตอุตตอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งแปรไปอารมณ์ทั้งห้าที่เราเราฝ่ายหานั่นแหะก็จะวิบัติทันที วิบัติสีอย่างเดียวไม่พอวิบัติใจด้วยโทสะก็จะเกิดขึ้นนะสะสมอีกแล้วอะทีนี้ไม่ต้องห่วงอะทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกจะครอบงําหมดทุกต่างๆก็จะระดมเข้ามาเราอยู่อย่างนี้เรามองปัญหาไม่มากนะักอากาศหนาวๆอย่างนี้นะถ้ามองประเทศที่เขาหนาวเย็นหรือกลุ่มชาวบ้านที่หนาวเย็นอย่างที่ยอมมาเล่า ว, ว่าเด็กที่หนาวใช่ไหมพิงไฟอะนะพิงไฟเสร็จแล้วก็ คือช่วงที่มันอุ่นนะจะหลับเพอะมาเนี่ยประจําเลยทเมื่อเมื่อหนาวสมัยเด็กๆเนี่ยพอหนาวมากๆเข้าเนี่ยก็จะหาผิงไฟผิงไฟเข้ามันพออุ่นๆก็จะหลับแหละหลับทีนี้ก็ไม่รู้เพราะมันมั น, ม, นมันอดหลับมานานหรืออย่างเช่นเทศกาลหน้านีจ้จะมีพวกหนังกลางแป้งหนังอะไรมาดูกันหนาว่ายอมเลยพอหนังจบก็ไปนั่งผิงไฟกันละผิงไฟกันง่วงง่วงก็หลับอันบางคนเนี่ยก็หลับแล้วก็ ลงไปในกองไฟทีนี้ก็จะบางคนที่ถึงกับไม่ไม่ตายก็เป็นแผลและเป็นแผลหน้านี้ก็รักษายากมากหายช้าอันชีวิตของชาวชนบทหลายๆส่วนหลายๆจังหวัดเลยนะที่ที่เจออากาศแบบนี้เข้าทุกขากายญาณญยาณเนี่ยเกิดมากมายมหาศาลทุกขากายญาณญยาณเป็นผลของกุศลหรืออกุศลอกุศลนะทุกจริงจริงนะเป็นทุกจริงจริงด้วย และเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือโทสะต่อไปด้วยโทสะก็ก่อโทษใหม่ขึ้นต่อต่อไปอีกด้วยดังนั้นนี่ก็คือสังสาระสังสาระซึ่งเราทั้งหลายก็ยังไม่ได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นเลยเมื่อยังไม่พ้นจากสภาพเหล่านั้นเกาะที่พึ่งของเราคืออะไรใช่ั้ยเมื่อปรารพถึงอารมณ์เหล่านี้แล้วอะไรเป็นที่พึ่งของเราบอกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าชี้ให้เราเห็นอะไรในสิ่งนั้นใช่ไหมชี้ให้เห็นอะไรให้เห็นอริยสัจนะอย่าลืมว่าทุกษัตริย์นั้นปริญญาญกิจนะให้เห็นอริยสัจเพื่อที่จะเจริญปริญญาญากิจในอริยสัจเหล่านั้นถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเราเสียหายนะพระมหากัสปะเนี่ยท่านเตือนลูกศิษย์ท่า น, านบ่อยมากเลยว่าถ้าอากุศลถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิด เสียหายเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์นะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อันความเพียรการเจริญกุศลธรรมเพื่อรู้อริยสัจเนี่ยจะต้องรีบเร่งเหมือนกับบุคคลที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะเราจะปล่อยไม่ได้นะเราจะปล่อยไม่ได้เพราะว่าการเวลาเนี่ยกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองนะซึ่งเราก็จะถูกการเวลาเนี่ยกลื่นกินอยู่ตลอดเวลาละนั้นการศึกษาพระธรรมคําสอน เพื่อที่จะยังจิตให้เป็นไปกับกุศลมากๆคนที่สามารถทําจิตให้เป็นกุศลได้เท่าไร่คนนั้นฉลาดที่สุดเพราะกุศลนินเป็นชื่อของความฉลาดนะความฉลาดนะว่าความฉลาดเหล่านี้เป็นความฉลาดที่สามารถก้าวพ้นจากวัตถุทุกเหล่านี้ได้ความจริงเรื่องเหล่านี้คุณลุง จัดเป็นปกินกะนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าเรื่องพรหมิหารนี่นะเพราะว่าเรากําลังคิดว่าเรื่องพรหมิหารนี่ก็อยากจะเวลาคนฟังสมมุติถ้าเราไปออกอากาศนะคนฟังเรื่องเรื่องพรหมิหารก็เป็นเรื่องพรหมิหารตอ่อใช่ไม้มแต่ว่ามีตอนต้นๆตอนท้ายๆนี่ไม่เล็วนะครับฟังดูแล้วก็มีความไพเราะน่าจะจัดเป็นปกินกะสักพวกหนึ่งนะครับทุกๆครั้ง ก็เป็นความไพเราะจริงๆนะฮะยิ่งฟังแล้วก็มีความทราบซึ้งนะถ้า ท, ที่อ่านในมิลินท์ปัญหามีข้อความที่ที่ที่น่าสะกิจใจนะครับเช่นคําว่าอะที่กุศลอะที่กุศลได้แก่สมถะและวิปัสสนาการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือกุศลในการเจริญสมถะวิปัสสนาแต่เพิ่งเคยได้ยินว่าอะที่กุศล คราวนี้นะ <Okay. S 1> ก็ก็มีนะครับ <Okay. S 1> แล้วอีกคำหนึ่งนะฮะอ่าคำว่าเธอจงเจริญภาวนาอันเป็นเครื่องสงบไฟคือเธอจงเจริญวิปัสนาภาวนาหรือแม้สมถะภาวนาอันเป็นบาทแห่งวิปัสนานี่นหะครับที่เราจะมาเรียนเนี่ยคำพรมิหารเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็แม้สมถะ ภ, ภาวนาอันเป็นบาทแห่งวิปัสนา คำว่าอันเป็นบาทรวิปัสสนานี่พวกกระผมสมมุติถ้าจะเรียนสมถะประเภทนี้แล้วก็คงจะไม่ได้เอาองค์ของสมถะ น, น, นั้นมาเป็นเครื่องพิจารณาแต่ว่าตัวสมถะเองจะเป็นตัวอุปการะในการเจริญวิปัสสนายังไงกันแน่ครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็นผู้ที่เอาสมถะเป็นบาตรเลยนะท่านก็เจริญชาทำให้ชานะจิตเกิดเสร็จแล้วท่านพิจารณาองค์ฌาน หรือพิจารณาอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่องค์ฐานก็ได้นะท่านแสดงไว้สองในเลยในทิฏฐิวิสุทธิ์ที่อ่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าของเราท่านทั้งหลายซึ่งอาจจะไม่สามารถเจริญจนได้ฌานแต่ก็เจริญให้มันสบายใจระดับหนึ่งก่อ น, นการเจริญสมถะกรรมฐานนั้นก็คือเป็นถ้าพูดเจริญแบบพวกเราก็คือเหมือนกับกินยาแก้ปวดนั่นแหละ คือมันให้มันหายเจ็บซะหน่อยเฮะพอที่จะได้ทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ถ้ากําลังปวดนั่นแหละกําลังโทสะมันเกิดบ่อยๆนี่ทําไงอ่ะนะจริงอยู่ถึงจะมันระงับมันแก้ได้ไหมจริงจริงก็ช่างเถอะแต่ว่าให้มันเบาบางจากความเจ็บอันนั้นนะกุศลเนี่ยอากุศลเนี่ยเจ็บไหมนะแต่ว่าคนน้อยคนนักที่จะรู้สึกแต่ว่าอกุศลจริงจริงเนี่ยมันเจ็บอย่างโทสะเนี่ยถ้าเกิดปัญหามันเครียดขึ้นมาเข้าเนี่ยมันมัน มันเจ็บจริงๆนะมันไม่สนุกเลยนะคนที่โทมนัสเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเนี่ยโหชีวิตหาความสุขไม่ได้เหมือนกันนะอย่างบางท่านเนี่ยนะถ้าไม่ได้ศึกษาพวกพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเครียดอยู่ตลอดเลยไม่รู้ว่าเครียดอะไรก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าหาความสงบหาความร่มเย็นอะไรกับเขาไม่ได้มองฝนตกก็ไม่ชอบแดดออกก็ไม่ชอบ นาวก็ไม่ชอบร้อนก็ไม่ชอบไม่ชอบสักอย่างอสรุปแล้วหาดีไม่ได้เลยอ่ะจนกว่าจะฝึกศึกษาเรืเ่องเมตตาให้มากมา ก, มา ก, มากะนะมีใจเ อ, อื้อเฟื้อเผือ่อแผ่กับคนอื่นมากจริงๆแล้วนะถึงไม่ได้ชาญก็ไม่เป็นไรให้มันสบายใจระดับหนึ่งแล้วศึกษาพระธรรมคำสอนได้ยาวนาะนแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยลาบาก น, นะการเจริญอย่างอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยศึกษาเรื่องพรหมวิหารเพื่อที่จะเป็นอุบายอย่างหนึ่ง ในการบันทอนโทสะนะให้โทสะเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะว่าการเจริญวิพพานอย่างนิยะแห่งนิวรบัพระในหัวข้อว่าเมื่อพยาปาท่านิวรเนี่ยนะจะไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยอันในข้อนี้พรหมวิหารหรือเมตตาภาวนาหรือว่ายโยนิโส ท, ที่เป็นไปกับเมตตาพวกนี้เป็นอุบายเพื่อที่จะระงับไม่ให้โทสะมันเกิดขึ้น จริงอยู่ว่าโทสะเกิดขึ้นนั้นเราพิจารณาสภาวะของโทสะได้แต่ถ้าเกิดเรื่องมันหนักจริงๆเข้านะพิจารณาเถอะพิจารณาว่ากําลังความโกรนนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นแล้วจะแก้อย่างไงเนี่ยนะพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีอุบายวิธีการจริงๆเนี่ยดับไม่ได้นะอันวิปัสสนาที่ว่ายัางเห็นสภาวะของโทสะว่าดุร้ายจริงๆเนี่ยนะถ้าไฟไหม้จริงๆนั้นน้ำแค่นั้นดับไม่อยู่ ถ้าไฟมันไหม้จริงๆเนี่ยต้องดูสภาพของไฟด้วยบางท่านบอกว่าเออถ้าหาว่าไฟมันไหม้ซะก็เอาน้ําสะอาดลงไปก็ใช้ได้แล้วมีน้ําอยู่ถังนิดเดียวนะโทสะก็เหมือนกันถ้ามันโทสะน้อยๆนะเออสังเกตดูสภาวะลักษณะอะไรเนี่ยเออช่วยได้เยอะนะแต่ถ้ามันเกิดมันเอาเข้าจริงๆนะมีเรื่องให้มันเครียดจริงๆเข้าเอาสิลักษณะลักษณะษณะสมุรา พวกมาทวงหรือว่ามีเหตุการณ์ธุรกิจชีวิตประจําวันเนี่ยนะคือคําว่าโทสะนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องถูกด่าแล้วโกรธอย่างเดียวนะเช่นภารกิจการงานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วมันไม่เสร็จอ่ะมันงุดงิดขึ้นมาซึ่งเราจะต้องไปให้คนอื่นเขาช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จเราไม่สามารถทํากิจอันนั้นได้อ่ะมันเครียดอย่างบอกไม่ถูกเลยก็ อ, อย่าว่าโยมในของ ม, มาบางทียังมีเรื่องแบบนั้นเลยเช่นปัญหาบางอย่างเข้ามาปั๊บเอ๊ะมันเครียดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละ มองปัญหานึกอะไรก็นึกไม่ออกเขใส่ใจในลักษณะแล้วหมดอะเชื่ อ, อเพราะปัจจัยมันไม่พอเรียกว่าไฟนั้นมันแรงเมื่อไฟนั้นมันแรงก็ทํำยังไงนั้นการศึกษาวิพรมิหารก็หนึ่งในอุบายเพื่อในการระงับบาปอากุศล น, นั่นแหละอันการเจริญพรหมิหารก็คืออัพยาปาทวิตกนั่นแหละศึกษาเรื่องอุบายในอุบายหนึ่งที่จะระงับโทสะแต่บางท่านอาจจะไม่ต้อง เมตตาศึกษาเรื่องเมตาก็ได้อาจจะใช้วิธีอื่นก็สา ม, มารถที่จะระงับได้แต่การศึกษาเรื่องพรหมหารก็หนึ่งในคำสอนที่พระองค์ชี้แนะอุบายในการกำจัดบาปอากุศลซึ่งในการเจริญเมตานั้นเจริญให้แก่ตัวเองก่อนนะจะเข้าหลักว่าจะต้องรู้ว่าบุคคลที่เป็นโทษนั้นมีอยู่6ใช่ไหมบุคคลที่ไม่ควรเจริญให้เลยทีแรกเลยมีอยู่4ท่าน นะเพศตรงข้ามก็ไม่ควรเจริญเจาะจงก็เจริญรวมๆไป ส, ส่วนคนตายแล้วก็ไม่ต้องเจริญโดยถ่ายเดียวทีนี้ในหน้าสีนี้ท่านกล่าวว่าควรเจริญเมตตาไปในตนเองก่อนคนอื่นทุกคนทีเดียวนะให้ให้คิดให้เจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาก็คือหวังดีปรารถนาดีใช่ไหมในชั้นต้นก็หวังดีปรารถนาดีกับ ตัวเองนี่บ่อยๆเคย <c oughs> เคยคิดให้ตัวเองมีความสุขบ้างไหมนีเออขอให้สมมตินะอย่างขอให้พระสมบัติมีความสุขความเจริญนะอย่างเงี้ยโยมเคยคิดหาตัวเองอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยนะเคยนะผู ก, การเคยไหมเออ เคย<ม>เคยตั้งใจเป็นล่ําเป็นสันเลยนะตั้งใจจะให้ตัวเองมีความสุขเลยเนี่ยอืมเคยอบรมมาในเรื่องว่าเอ๊ทาอย่างนั้นมันจะเป็นตัวตนหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คิดแบบนั้นอาไม่นะคิดรลเยลแล้วก็หลักการนั้นนี้มีผู้ปฏิเสธมีผู้ปฏิเสธครับว่าไม่ควรทําอย่างนั้นนะนี่แต่ในคำภีมีนะครับให้ทําอย่างนี้นะฮะแต่ว่าบางท่านนั้นปฏิเสธครับ บอกว่าไม่ไ ม, ไม่การทําอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่การเจริญเมตตา <c oughs> นะฮะอ่าก็ท่านก็ว่าไปเถอะครับผมผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็จเริ่มเริ่มมาตามคัมภีร์แลครับ<ำ>คัมภีร์ว่าไงผมมาตามนั่นนะการเจริญเมตตาให<น>้เปนในตนเองก่อนนี่<ด>ผมเห็นด้วยนะครับพูดแล้วกูสอนไม่เจริญนะก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> คือคือคือผมเห็นด้วยที่ว่าอ่าการที่เจริญเมตตาอะไรนี่นะให้ ให้ดูให้คล้ายๆว่าให้ถ่ายจากความรู้สึกเอานะีถ่ายความรู้สึกเนี่ยสมมุติว่ า, เ, าเราเคยเมตตาลูกหลาน่นะีแล้วเราก็ถ่ายความรู้สึกอันนี้นะไปเมตตาลูกคนอื่นเนะถ้าอย่างนี้นะฮะเป็นไปได้นะแล้วก็เป็นจริงๆเป็นอย่างนั้นนะนความรู้สึกยยว่าเราเคยมียังไงนะแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาให้ม า, ใ ห, มาให้มาพิจารณาลูกหลานคนอื่นให้เหมือนอย่างนั้นเนี่ย อันนี้พอได้เลยง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นทอนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าในหน้าห้านะลองเปิดหน้าห้านะเพื่อจะให้ดูว่าเอ๊เจริญให้ตัวเองก่อนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปตามแนวคําสอนนั่นเองอย่างนับจากข้างล่างเลยนะสองบรรทัดว่าบุคคลตามคน้นหาด้วยใจตลอดทิศทั้งปวงในทิศไหนไหนก็ไม่พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตน ถึงตนของคนอื่นแต่ละคนก็เป็นที่รักอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น น, นะก็คือว่าการเจริญเมตตาก็คือมีไมตรีจิตเป็นมิตรกับคนอื่นจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราไม่ค่อยเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยน ะ, ะถ้าพูดอย่างนี้นี่ถ้าคนที่ไม่เคยเจริญเมตตาให้ตัวเองจะนึกไม่ออกแต่ถ้าหากว่าทำความรู้สึกที่เรียกว่าเจริญเมตตากับตัวเองบ่อยๆนะถ้าคิดให้ตัวเองมีความสุขบ่อยๆป๊บ จเจริญไปหาคนอื่ น, นง่ายๆกลับมาคืนที่ว่าอย่างเช่นจากบทว่าอหัง ah, ส oh, ุขิโตโหเมนิทุโขโหเมเนี่ยนะขอเราจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขไม่มีความทุกข์เถิดถ้อยคำอันนี้มันเป็นแนวทางแห่งการเจริญเมตตาต่อตัวเองแล้ว ก, ก็ตั้งคำถามว่าเราต้องการความสุขใช่ไหมใช่ั้มความสุขที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรบ้าง ใชไมเราก็เคยถามนะถ้าเราเคยถามเนี่ยเราจะรู้เลยเราต้องการความสุขเราถ้าพูดรวมๆก็คือสุขกายและสุขใจเราต้องการความสุขกายอย่างไรบ้างใช่ไหมต้องการความสุขกายในระดับไหนส่วนใหญ่แล้วที่ศึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพทั้งหลายแหล่เลยนะก็คือศึกษาเพื่อความสุขนั่นเองอย่างเช่นเรื่องอาหารสมัยใหม่ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพทั้งหมดก็คือต้องการความสุขทางกายนั่นเอง เราศึกษาพระธรรมเราศึกษาเพื่อความสุขใช่ไหมใช่เราต้องการความสุขทางใจฮะสรุปแล้วเราเองเนี่เราก็ต้องการความสุขเพียงแต่ว่าเรามองปัญหาอันนี้ชัดเจนขนาดไหนว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต้องการความสุขนะเราเองเรายังต้องการความสุขและคนอื่นเขาไม่ต้องการความสุขได้อย่างไรฮะการเจริญให้ตัวเองเนี่เรียกว่าเป็นพยานไงถ้าเราเมตตาต่อตัวเองได้น้อยเท่าไหร่ เราก็เจริญเมตตาได้นอ้อยเท่านั้นเหมือนกันถ้าเราหวังดีปรารถนาดีอยากให้ตัวเองมีความสุขเท่าไหร่เราก็จะเจริญเมตากับคนอื่นได้เท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราตัวเองเนี่ยตำหนิตัวเองได้บ่อยๆนะไม่มีเมตตาต่อตัวเองก็คือเป็นคนที่ชอบตําหนิตัวเองนะไม่ค่อยให้เกียรติตัวเองใกล้ายๆแบบนี้นะทำอะไรถ้าตัวเองทําแล้วเป็นถือว่าไม่ดีไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่เคารพตัวเองแสดงว่าไม่ต้องการให้ตัวเองมีความสุขเท่าไหรนะ่นั ดันั้นคนที่เป็นแบบนี้เจริญเมตตาค่อนข้างยากสังเกตเห็นว่าเรื่องๆนี้เป็นความจริงครับน ะ, ะถ้าถ่ายความรู้สึกจากความรู้สึก ต, กตัวเองนี่นะฮะแล้วเพื่อที่จะเกิดเมตตาผู้อื่นนี่นะเ ช, ช่นสมมติว่าเราเราทานอาหารอร่อยใช่ไหมรู้สึกดีใจส่วนนุษว่าได้ทานอาหารอร่อยนะ แล้วเราก็ถ่ายความรู้สึกนี้ว่าทําไมจะให้คนนั้นเขาได้ทานอาหารอร่อยอย่างเราบ้างอย่าง<จ> น, นี้นะ น, นี่เป็นการถ่ายได้นะถ่ายความรู้สึกแล้วก็จะเกิดพอจะเกิดเมตตาได้เจนพานหรืออีกอย่างหนึ่งนะสมมุติถ้าเราเราอยากได้ความสุขแบบนี้ใช่ไหมเราบอกเออขอให้เรามีความสุขแล้วเรามีคนที่เราเคารพ อ, อยู่สักคนหนึ่งอย่างน<ะ>ี้แล้วเราโอนความสุขให้อยากคนอื่นเขาได้มีความสุขอันนี้ง่ายไหม<ะ>เราสังเกตดูนะว่าอย่างบางท่านเนี่ย มีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีอะไรที่ตัวเองรักเคารพอ่ะนะพอตัวเองได้รับความสุขอย่างใดหนึ่งมันจะโอนง่ายใช่ไหมไปเห็นเออเราเนี่ยหนาวเราได้ผ้าอุ่นดีเอ๊นึกถึงคนนั้นเอ๊จะเอาไปให้เขาได้อย่างไรใช่ไหมเมตตา ม, มันจะโอนง่ายลักษณะเนี้เพราะว่าท่านห้ามมาอย่าเพิ่งโอนเป็นเพศตรงข้ามใช่ไหมครับนี่ก็เข้าหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับฮะนี่เราจะเห็นว่านี่ถ้าเราจะเรียกภาษา พูดอย่างภาษาสมัยใหม่เ็ามันเป็นเทคนิคใช่ไหมครับในการเจริญเมตตาเมื่อยัง<ช>ไม่เกิดก็มีอุบายให้เกิดแบบนี้ใช่ไหมครับเจริญพรก็คือคิดหาความสุขให้ตัวเองก่อนนะพยายามที่จะคิดให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเรื่อยๆบ่อยๆเท่าไหร่นะก็จะมีเมตตาต่อคนอื่นเท่านั้นเช่นเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะโอ้เราเนี่ยถ้าเราพูดถึงจุดประสงค์ของเราเองเลยว่าเรามาทาไมนะ เรามาเราต้องการความสุขแล้วก่อนแนหะเรานั่งเราจะหาที่นั่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทุกข์มากนักเมื่อยน้ main, นอยห น, ห, นหน่อยหนาวน้อยหน่อยอะไรน้อยหน่ยเนี่ยเราก็จะคิดหาความสุขทางกายอันนี้แหละเอ๊จะนั่งตรงไหนนะที่จะฟังทำได้แล้วความสุขใจมากขึ้นหน่อยเสร็จแล้วเราเร า, เราถ้าปารภแบบนี้บ่อยๆแล้วคนอื่นนะ่ะคนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนเรานี่เอองั้นอ่าเดี๋ยวแบ่งแบ่งที่ให้คนอื่นบ้างนะเขาจะได้มีความสุขด้วยอันนี้เมตตากายกรรมก็จะเริ่มเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าในการสุกธรรมดาชั้นต้นเลย แต่ถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าเป็นเมตตามนโนกรรมเราอยู่ในที่ลับสักแห่งหนึ่งเนี่ยเออเราก็ถามดูเป้าหมายที่ที่เราเจริญกรรมาฐานนี้เนี่ยเราต้องการความสุขเนาะแม้แต่เราจะนั่งก็เ อ, อ๊ะนั่งยังไงให้มันเมื่อยน้อยๆหน่อยะให้มันเจ็บน้อยหน่อยปวดน้อยหน่อยเออคนอื่นที่เขาอยู่ในโลกนี้เขายืนเดินนั่งนอนเออเขาก็ทําหาความสุขเหมือนกันนี่เออขอให้ทุกคนมีความสุขนะใจมันผ่องแผ้วง่ายก็เอ่อ ท่านที่อยู่ที่นี่นะฮะก็คงจะเคยคิดบ่อยๆใช่ไหมบางครั้งท่านฟังธรรมแะท่านก็เกิดความทราบซึ้งความเข้าใจใช่ไหมแล้วท่านก็นึกถึงบางคนแหมอยากให้มาฟังกับเราบ้างนี่นะนึกถึงคนที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับอยากให้มาฟังนี่ก็เป็นการเจริญเมตตาก็ไม่ใช่เจริญเป็นเมตตาที่เกิดขึ้นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเจริญหมายความว่าเราต้องรู้ตัวบ <หา S 1> ้าะถ้าเราเจริญคําว่าเจริญไหมเพราะ ว, ว่า เราต้องรู้ว่าเออวิธีนี้เนี่ยนะมันทําให้เกิดเมตตาใช่ไหมครับใช่ครัแล้วอีกในหนึ่งนะขออภัยนะที่ที่ยกเรื่องตัวเองมาจริงก็ไม่อยากเลยแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นบ่ายคือบางครั้งเนี่ยเราไปหลายแห่งนะเขาก็ในฐานะส่วนใหญ่ก็ให้พูดแสดงธรรมะเนี่ยมันไม่อยากพูดแต่ทําไงอ่งอเห็นหน้าคนแล้วไม่อยากพูดสักอย่างเลยนะถ้าไม่เกรงใจก็ก็เดินออกไปง่ายๆอย่างนั้นเลย เป็นอย่างนี้เ น, นี่ยเป็นอย่างนี้บ่อยคือคือไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยความรู้สึกจะแตกต่างกันมากบางแห่งเนีเ่ยเออเหมือนจะหมดเวลาแล้วพิงจะได้ไตฝนตะพิงเยทุกจริงๆเลยนะบางแห่งเนี่ยเขาบอกเขาไปแสดงทําตรงนั้นโอ้ยเครียดมันทุกแต่แรงยังไม่ขึ้นแล้ก็มวยนี่ก็แต่แพ้ตัง้งแต่ยังไม่ทันต่อยเลยอะจะยกทงขาอยู่แล้วมันไม่พร้อมมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแสดงว่าเมตตามไม่เกิด ขาดเมตตาตรงๆเลยทีนี้หาอุบายยังไงอ่ะบางทีก็เอาพระธรรมมาเป็นเครื่องปลอบอก็แสดงได้เหมือนกันหมดชั่วโมงเหมือนกันบางทีบางทีก็ถ้าหากว่าคนที่มาถ้าเป็นเรามาเขาตั้งใจว่าจะมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอะ่ะถ้าเขามาแล้วเขาไม่ได้ฟังหรือเขาไปฟังเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเป็นเรามาเนี่ยเราเอาไหม สมมตถ้าเราก็เปลี่ยนภาพเป็นเราเองอ่ะเป็นคนมามาฟังเองมาศึกษาเองหรือว่าเอ๊ะถ้าเราไปไปศึกษาพระธรรมเนี่ยเราควรจะได้ศึกษาพระธรรมแบบไหนเราต้องการอะไรแล้วคนอื่นเขาก็จะคล้ายๆกับเรานั่นแหละอ่าอันนี้ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งเหมือนกันทําให้ให้จิตเป็นกุศลต่อไปได้อีกเป็นชั่วโมงเหมือนกันท่านเรียกว่าฉลาดคิดครับชือโยนิโสมนัสิการครับบางตี บางทีงานมันพาไปอ่ะมันต้องพูดอ่ะถ้าไม่หาหาอุบายนะงานนั้นเราก็ไม่รู้จะไปนั่งพูดอะไรไปหลายแห่งมากก็คือจากจากที่ไปบรญญาตธรรมหลายแห่งเนะี่ยบางทีเนี่ยมันไม่คู้จะพูดอะไรพระไตรปิฎกมาตั้งอยู่ข้างๆเลยนะนึกไม่ออกเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรนึกเล่มที่หนึ่งนะมีสูตรอะไรยอยู่ในนั้นบ้างก็นึกออกสูตรที่เล่มที่สองสามสี่ห้านึกออกต้องเกือบทุกเล่มอ่ะ แต่มันไม่รู้จะพูดอะไรนะเมตตาจิตก็ได้ว่าพูดแบบธรรมดาก็คือมันแห้งแรงอะนะจิตมันแห้งแล้งอเมื่อจิตแห้งแล้งแบบนั้นเราจะทํำยังไงอะเราก็เราก็เอาคนอื่นมาคิดว่าไอ้คนอื่นเขาต้องการอะไรที่เข้ามากันใช่ไหมเราเนี่ยเราต้องการอะไรเมื่อเราต้องการอะไราเพิ่มเราก็กระตุ้นตัวเองเออเราก็ต้องการความสุขนะก็คือหาถ้อยคําเป็นต้น มาปลุกปลอบใจตัวเองอาการปลุกปลอบใจตัวเองลักษณะนั้นก็คือมีเมตตากับตัวเองการที่เจริญเมตตาให้ตัวเองมีความสุขเกก่อนก็คือปลอบใจตัวเองก่อนให้มีความสบายใจนะสบายใจแล้วค่อยคิดถึงคนอื่นน่ะขอให้เขามีความสบายใจแบบนั้นอ่ะนะขอให้เราเราต้องการความสุขนะโอขอให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะอย่างเช่นจากหลายครั้งเนี่ยถ้าถ้าของถ้าป่วยนะ ถ้าป่วยเออมันก็ดีนะมันเห็นใจคนอื่นขึ้นอีกเยอะเหมือนกันเมื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นกับเราเองนะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเราจะเห็นใจคนอื่นมากขึ้นโอคนอื่นเขาก็เป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะถ้าจะเจริญกรุณานะแต่ถ้าเจริญเมตตาเนี่ยเราต้องการความสุขนะเราต้องการความสุขกายถ้าเราเไล่เลยอวัยะวะทุกส่วนเนี่ยเราต้องการความสุข <S <S ทางตาเราก็อยากเห็นภาพดีๆทางหูเราก็อยากได้ฟังเสียงเพราะๆ ทางจมูกก็เราอยากได้กลิ่นหอมๆทางรสทางลิ้นเนี่ยเราก็อยากรับประทานอะไรที่มันอร่อยๆท่าหนาวอย่างนี้เราก็ต้องการความอบอุ่นถ้าคิดอะไรแล้วเราอยากต้องการมีความสุขคนอื่นเขาก็ต้องการความสุขอย่างนั้นแหละพยายามฝึกความคิดอันนี้ให้มันเกิดขึ้นเห็นใจตัวเองให้มากที่สุดอ่างนั้นแหละแต่ถ้าเจริญการุณาก็คือสงสารตัวเองให้มากที่สุดและคุณจะสงสารคนอื่นด้วยะนะ แต่ถ้าหากว่าเราต้องการความสุขให้กับตัวเองเท่าไหร่นะเราจะเห็นว่าคนอื่นเขาต้องการความสุขเท่านั้นเหมือนกันเราอยากเข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นเขาก็ลักษณะเดียวกันเรามาร่วมศึกษาพระธรรมคําคสอนนะก็จะเข้าไปในลักษณะนี้อย่างส่วนหนึ่งที่ที่อย่างที่แสดงธรรมอยู่นี้เพราะปลาราว่าเออเราเองก็มีศรัทธาที่อยากจะต้องการความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคําคสอนอยากเจริญงอกงามในพระธรรม คนอื่นเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเออเรามาศึกษาร่วมกันเมตตาจิตมันก็จะเกิดขึ้นจะเป็นเมตตาวาจีกรรมง่ายมีการพูดช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอะไรพอที่จะสงเคราะห์กันได้ก็จะสงเคราะห์กันไปจะเริ่มเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรานี้เมตตาต่อตัวเองอ่อนหรือว่ารู้จุดประสงค์ของตัวเองอ่อนขนาดไหนเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็มีจุดประสงค์อ่อนเท่านั้นนั่นแหละังั้นการ จะนั่เมตตาให้ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก็คือเอาคำว่าความสุขนั่นแหละมาคิดให้กับตัวเองก่อนเสร็จ แ, แล้วถ้าเราคิดได้อย่างนั้นใจมันจะสบายใจทนจะเห็นเลยนะะสบายใจแล้วก็ค่อยเอาความคิดอันนี้แผ่เจริญไปหากับคนอื่นต่อๆไปซึ่งในตำราก็มีอยู่แล้วแต่ขอามาจา ก, กค่อยๆไล่ไปตามนี้นะเรานึกถึงคนที่เราเคารพเราก็จะเจริญไปหาเขาเหล่านั้นง่ายแต่พยายามชั้นต้นๆ น, นะ ให้เจริญไปหาแก่คนที่เราเคารพเราเทิดทูนเราให้เกียรติเท่าที่สุดนะเจริญไปหาคนประเภทนี้ก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปหาคนอื่นอย่างอย่างพระเนในวัดเนี่ยท่านบอกว่าให้เจริญให้ตัวเองเสร็จให้เจริญไปหาพระมหาเถระที่ที่เราเคารพที่สุดในวัดนั้นนะ่ะที่เราเคารพท่านนะ่ะนึกไม่นึกตาหนิท่านเลยอนะ่ะเจริญไปหาท่านเสร็จแล้วค่อยย้ายไปหาองค์อื่นๆต่ อ, ตอไปเจริญค่อยๆเจริญไปในวัดอนะ่ะ เสร็จแล้วก็นึกถึงคนที่ทำงานอยู่ในวัดหรือเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ในวัดอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆกระจายความคิดอันนี้ออกไปนะนี่เป็นอุบายในการเจริญเมตตาในชั้นต้นเอาตัวเองนี่เป็นพยานแห่งความสุขก่อนนะขอให้เรามีความสุขนะนะให้พรตัวเองบ่อยๆนะวันไหนถ้าถ้าเจริญเมตตาไม่ค่อยออกก็นั่งให้พรตัวเองบ้างเคยบ้า ก็เหมือนกับเรามีลูกมีหลานเอออยากให้ลูกให้หลานมีความสุขความเจริญนะให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเราคิดอันนี้ย้อนมาหาตัวเองก่อนแล้วค่อยคิดไปหาคนอื่นนะคุณจะให้คนอื่นกินน้ําได้อย่างไรเมื่อคุณยังหิวอยู่นะคุณไม่เห็นใจแต่ตัวเองจริงๆแล้วจะเห็นใจแก่คนอื่นได้สักเท่าไหร่เชียวนั่นแหละถ้าไม่มีเมตตาต่อตัวเองจริงๆนะโอ้โหโกรธตัวเองบ่อยๆตําหนิตัวเองบ่อยๆแสดงว่าอัธยาศัยในการตําหนิคนอื่นเราก็ไม่น้อย ทีนี้คำว่าอาหารสุขิโตโหมิเนี่ยก็คือเราต้องการความสุขใช่ไ้ยเราต้องการพ้นจากความทุกข์นะทีนี้แต่หัวข้อก็เราก็เอาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นมาเทียบเคียงก็ได้นะทุกจากการสแสวงหาอาหารทุกจากการทามาหากินทุกจากการเป็นอยู่ชีวิตครอบครัวเนี่ยเราไม่ต้องการความทุกข์เหล่านี้เลย คนอื่นๆในบ้านใกล้เรื่อน เ, เ, เ, เคียงพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้คนทั่วๆไปเขาก็ไม่ต้องการความทุกเหล่านี้เหมือนกันนะเมตาก็จะเกิดง่ายแล้วนี้ต่อไปว่าอเวโรนะโมิก็คือขอให้ข้าพเจ้าหรือขอให้เราเนี่ยอย่าได้มีเวรเลยนะถ้ายัางนึกถึงข้อความในธรรมบทนะ พูดถึงคนมีเวรกันคนผูกเวรกันอย่างประวัติของนางกาลียักษินีเนี่ยนะเป็นเป็นผู้ที่มีเวรกันทั้นคนที่ผูกเวรกันเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยฉั้นการเจริญเมตตาแก่ตัวเองก่อนดับต้นก็คือเจริญให้ตัวเองเนี่ยอย่าได้มีเวรนึกมีเวรกับใครเลยก่นอนนอธิษฐานจิตเป็นผู้ไม่มีเวรกับใครเลย เราอย่าได้มีเวรแก่ใครๆและใครๆอย่าได้มีเวรกับเราเลยเราต้องพร้อมใจอันนี้ก่อนเป็นเบื้องแรกแต่คนที่จะอธิษฐานถึงความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทคนอื่นนะั้นตัวเองจะต้องเห็นโทษของเวรก่อนใช่ไหมแล้วคนที่จะเจริญเมตตาต้องเห็นโทษของโทสะต้องเห็นโทษของเวร่วเวรเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก่อความชีพหายอย่างไรบ้าง เช่นตระกูลสองตระกูลเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยฆ่ากันถึงลูกถึงหลานเนี่ยมันมีแต่โทษอย่างเดียวหาความสุขไม่ได้เลยอะ่ะในชั้นตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างจะขอยกตัวอย่างของผู้ที่มีเวรกันในคาถาธรรมบทอ น, นะอยามากะวักภาคต้นเลยกล่าวว่ามีกระุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทำกาละแล้วก็ทําการงานทั้งปวงทั้งทีนาที่บ้านด้วยตนเองปฏิบัติมารดาอยู่ ทีนี้มารดาของเขาก็บอกว่าพ่อแม่จะนํานางกุมาริกามาให้เจ้านะก็คือบ้านหนึ่งมีลูกคนเดียว น, นะลูกชายด้วยทําทั้งงานในป่าทําทั้งงานในบ้านพ่อแม่ก็แก่แล้วพ่อแม่ก็สงสารลูกก็อยากจะให้ลูกมีครอบครัวลูกชายก็เลยบอกว่าแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยเพรา ง, งั้นฉันจกปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิต นะพ่อแม่ก็บอกว่าลูกว่งงางั้นเจ้าคนเดียวเนี่ยทาการงานอยู่ทั้งที่นาและที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้านะจะไปหาเมียให้นะเขาก็ห้ามแม่อย่างนี้หลายครั้งแม่ก็ออกจากเลือนไปนะก็อาศัยว่าแม่ก็เลยไปหาหญิงสาวให้คนหนึ่งเขาลูกก็เลยถามแม่ว่าแม่จะไปเอาที่ตระกูลไหนแม่ก็บอกว่าจะเอาตระกูลโนน่ ลูกก็ห้ามตระกูลนั้นอ่ะอไม่เอาตระกูลนั้นดิอนะ่ะจริงๆตัวเองก็แอบอยู่เหมือนกันเน่ยแอบชอบอยู่หมายตาอยู่เหมือนกันแต่เอาเข้าจริงๆก็ต้องบ้านนั้นแหละองนั้นทีนี้แม่ก็เลยไปตระกูลนั้นก็ขอนางกุมาริกาแล้วก็กําหนดวันแต่งงานนางกุมาริกาคนนั้นก็เอามาไว้ในเรือนคือสมัยก่อนส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะไปอยู่บ้านผู้ชายซะส่วนใหญ่ที่นั้นแม่ของเขาก็พูดกับลูกว่าลูก ก น, นะก็ก็อยู่ด้วยการไปทีนี้ผู้หญิงที่ที่ผู้ชายไปชอบเนี่ยเอามาแต่งงานเป็นหญิงหมันไม่มีลูกทำไงแม่ก็เลยพูดกับลูกว่าพ่อว่าลูกนี้ได้ให้แม่นํานนางกุมาริกามาตามใจชอบของเจ้าแล้วแต่ว่านางเนี่ยเป็นหญิงหมันธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชีพหายเสียหายอีกแล้วเนอะว่า ง, งประเพณีก็ไม่สืบเนื่องต่อไป เพราะฉะนั้นแม่จกนํานางกูมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าอีกคนแขกมีเมียได้หลายคน น, นะนเดี๋ยวจะไปขอมาให้อีกคนหนึ่งนะลูกก็ห้ามอยู่ว่าเอออย่าเลยแม่ไม่เอาละทั้งๆที่ก็ห้ามปฏิเสธแม่อยู่อย่างนี้บ่อยๆหญิงหมันนี่ก็เลยคิดนะเมียก็เลยคิดวนะ่าเ อ, อ้ยธรรมดาลูกเนี่ยก็ไม่อาจจะฝืนคําพ่อแม่ได้ถ้าหากว่าแม่ผัวเนี่ยไปนําหญิงคนอื่นซึ่งเป็นไม่เป็นหมันมาเนี่ยก็จะใช้เราเหมือนทาสี นะตากตาแหน่งนะภรรยาหลวงก็จะไปเป็นผู้ช่วยภรรยาก็ไม่ไหวแล้ว <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเอ๊ยยังไงนะเราจะนํานางกุมาริกานี่มาซะเองอยังไง mm hmm. อย่างนี้ก็เลยไปตระกูลหนึ่งไปขอเคือว่าไปขอเมียให้ผัวซะเองเลย mm hmm. ก็ไปขอ mm hmm. เพื่อให้สามีทีนี้พวกชนในตระกูลนั้นก็ห้ามว่าเออเธออย่าพูดอย่างานั้นอย่างนั้น ก็เลยอ้อนวอนว่าชั้นเนี่ยเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชีพหายบุตรีของท่านได้บุตรแล้วจักได้เป็นเจ้าของสมบัติขอท่านโปรดยกบุตรตรีนั้นให้แก่สามีของดิฉันเถิดวู้วใจดีจังเลยนะขอเมียให้ผัวแบบนั้นอย่างนี้แล้วก็ยังตระกูลนั้นให้ยินยอมก็นำมาไว้ในเรือนทีนี้ต่อมานางผู้หญิงหมันเนี่ยนะก็เลยคิดว่า ถ้านางคนนี้จะได้บุตรหรือบุตรตรีไซนนะ mm hmm. ถ้าได้ลูกชายหรือลูกสาวก็จะเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้ดเดียวเราควรจะทำนางอย่าให้ได้ทารกเลยวางแผนยังไงนะนะภรรยาที่มาใหม่จะได้ไม่ต้องมีลูกลําดับนั้นหญิงหมันก็พูดกับนางนั้นว่าเออถ้าหากว่าเธอเนี่ยตั้งคันในท้องเมื่อไหร่ขอให้เธอเนี่ยบอกฉันด้วยนะนางก็รับว่าจ้าไง แล้วก็ตั้งคันพอพอมีท้องก็ไปบอกเพราะว่ามันมดีต่อ ก, อ ก, กันเลือเกินหน่อนะเหมือนพี่เหมือนน้องเลยอย่างเงี้ยก็เลยวางใจก็เลยบอกหญิงมันนั่นแหลก็เลยให้ข้าวต้มขนมข้าวสวยเป็นนิดแก่นางนะ<ม>ภายหลังนางก็ได้ให้ยาเนี่ยเป็นยาสํำรับอ่ะนะทำให้คันตกปนกับอาหารแก่นางผสมยาเข้าไปคันก็เลยแท้งเลยทีนี้ครั้งที่สองอีก<ม>ก็บอกอีกแท้งอีก ทีนี้แทงอย่างเงี้ยสองครั้งทีนี้พวกผู้หญิงที่บ้านใกล้เรือนเคียงที่คุ้นเคยกันนะก็เลยถามว่าเออหญิงร่วมสามีของเธอเนี่ยทาอันตรายแก่เธอบ้างหรือไม่มีการทะเละาะเบาะแวงอิจฉาริษยากันหรือเปล่านางก็แจ้งความนั้นแล้วหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าหญิงอันดพานเพราะเฮไรหล่อนจึงทําอย่างนั้นเล่าหญิงมันนี้ได้ประกอบยาสําหรับทําคันให้ตกแก่หล่อน เพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคันของหล่อนจึงตกหล่อนจะได้ทาอย่างนี้อีกถ้ามีท้องก็อย่าไปบอกเขานะเขาก็จะปรุงยาให้กินอย่างนี้ที่ครั้งที่สามนางก็เลยไม่บอกทีนี้ต่อมาฝ่ายหญิงมันเนี่ยเห็นท้องของนางแล้วก็กล่าวว่าเพราะเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่ตั้งคันกับฉันนะมีท้องทำไมไม่บอกเหมนนางก็เลยกล่าวว่าก็เธอเนี่ยนาฉันมาแลว้วทาคันให้ตกไปเสียถึงสองครั้ง แทงมาตั้งสองครั้งเลยนะจะไปบอกหล่อนทำไมบอกให้โง่เลยวาไงก็เลยคิดว่าเออบัดนี้เราชีพหายละนะผู้หญิงหมันี่ก็เสียใจเลยคอยดูแลความประมาทของนางกุมาริกาคือหญิงที่มาใหม่เนี่ยเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วได้ช่องก็เลยประกอบยาให้นะทีนี้เด็กมันโตมากแล้วมันดันไม่ตกอะทาไงเพราะคันแก่ก็เลย มันมันขวางอ่ะมันไม่มีหมอเหมือนสมัยนี้ใช่ไห ม, มก็ขวางก็ทําไงมันก็คลอดก็คลอดไม่ได้คันก็ไม่ตกเวทนาก็กล้าแข็งเผ็ดร้อนจนเกือบตายเนี่ยทีนี้ก่อนตายก็ตั้งความปรารถนาว่าเรานี้ถูกมันเนี่ยทําให้ชีพหายแล้วไม่ไม่ไมหล่อนนะนมันเลยนะมันเนี่ยทําให้เราชีพหายแล้วมันเองนําเรามาทําทารกให้ชีพหายถึงสามคนแล้ว บัดนี้เราเองก็จะชีพหาย mm hmm. บัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้พึงเกิดเป็นนางยักษณีอาจเคี้ยวกินทารกของมันเถอะตั้งผูกเวรเลยนะใช่ไหมคล้ายๆกับเคยไม่ยอมใครมาทําความเสียหายให้แก่เราหลายๆครั้งเข้านะโอ้มันเจ็บเข้าจริงๆเนี่ยมันมันไม่ธรรมดานะความคิดเนี่ยหลายท่านที่ที่ไม่ถึงกับผูกเวรก็แสดงว่าไม่มีใครทําให้เจ็บขนาดนั้นใช่ไหมโอโ้โหเสียลูกไปตั้งสามคนแล้วอ่ะ ตัวเองก็จะตายอยู่ด้วยคนส่วนใหญ่นี่ผูกเวรอย่างโยมท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีมีมีคนบ้านอยู่บ้านใกล้กันะนะทีนี้คนคนหนึ่งเนี่ยมันชอบไปขโมยของในบ้านบ่อยๆภรรยาเขาเนี่ยก็ไปต่อว่าผู้ชายภรรยานี่ก็ไปต่อว่าเจ้าขโมยคนนี้ขโมยก็เลยตบภรรยาเขาเลยะนะเขาเนี่ยแค้นมาก ตอนหลังไอ้โจ้นั้นก็ตายไปแล้วไอ้คนนั้นก็ตายไปแล้วแกเนี่ยก็ยังผูกพยาบาทอยู่นั่นนะผูกพยาบาทอยู่นั่นแหละตอนหลังมาฟังธรรมเขาบอกว่าผมเนี่ยผมเพิ่งคลายความพยาบาทตอนนี้เองนะอาจารย์เขาว่าผมเนี่ยแค็งมันมากมันไม่น่าทํากับผมขนาดนั้นเขาว่าเขาแค็งมากาว่าจะ ต, ต้องเอาคืนได้ชาติไหนก็ได้นั้นผูกเวรกันขนาดนั้นเลยนะขนาดตายไปแล้วยังผูกเวรเลยอะ่ะเพราะการผูกเวรเป็นต้นหรือโทสะนี่เกิดเพราะอะไร เกิดเพราะว่าคนนู้นเขาได้ทําความเสียหายให้แก่เราใช่ไหมอันนะั้ที่ที่ไม่ค่อยโกรธก็เพราะไม่ค่อยมีใครทําเสียหายให้ก็ได้แต่บางท่านเนี่ยพอได้รับความเสียหายก็ทุกข์ระเทือนอย่างหนึ่ง<ม>เนื่องจากที่สะสมอัธยาศัยมาอย่างเช่นสมัยเด็กๆในของอามาก็เอาเรื่องกันนะคือมันฟังดูหนังจีนมาเยอะแคร์นี้ต้องชําระอะไรเงี้ยนะมันประทับใจมืนกันนะสะสมแบบนั้นมามันเลยทําให้มีอัธยาศัยแบบนั้น อ้อบางครั้งเนี่ยมันก็ผูกเวรเลยนะถ้าใครมาทําเรานะเราจะเอาคืนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้อแต่ดีมันมีใครมาทําให้ก็เลยยังไม่ทันผูกเวรเลยดีได้มาศึกษาธรรมะก่อนไม่งั้นแย่เหมือนกันนั้นคนที่พอได้เหตุได้ปัจจัยเข้าเนี่ยมันจะเริ่มผูกเวรเลยเพราะเวรจะเกิดขึ้นเพราะเขาทําความเสียหายให้แก่เราโทสะจะเกิดในลักษณะนี้คนโน้นเขาเคยทําความเสียหายให้แก่เราคนโน้นเขาจะทําความเสียหายให้แก่เราคนโน้น เขากําลังทําความเสียหายให้แก่เราบางคนเนี่ยครั้งหนึ่งให้อภัยได้สองครั้งให้อภัยได้เอ๊ะมันนานๆเข้ามันก็ให้อภัยไม่ไหวเหมือนกันนั้นมันไม่มีขันติเป็นกองทัพอ่ะนะมาคนสองคนอย่างเงี้ยพอเข้ามาหลายๆคนก็เลยทับแตกเลยอย่างเงี้ยนั้นคนที่ผูกพยาบาทก็จะเป็นในลักษณะนี้ทีนี้ก่อนตายนี่ก็ผูกเวรพยาบาททันทีเลย ด้วยแรงแห่งโทสะนะตั้งความปาถนาะเกิดเป็นยักษ์ขอให้ได้กินคืนมั่งจิตของคนที่ใกล้ตายและเป็นโทสานี้สุขติไปได้ไม่ได้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแม่แมวอยู่ในบ้านหลังนั้นตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวอยู่ในเรือนหลังนั้นเลยทีนี้ฝ่ายสามีก็จับยิงหมันแห ล, ละก็สืบสวนไตส่สวนก็รู้เรื่องว่ามีหลวงนี่แหละเป็นเจ้าวางแผนก็เลยได้ทาการ บอกว่าเจ้าเนี่ยทําการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนย์นะทีแรกกรักกันดีนะพอสร้างความเสียหายทํากับภรรยาทํากับลูกอย่างนี้เข้าความรักเก่าก็เลยหมดไปก็เลยใช้ทั้งศอกใช้ทั้งเข่าเลยเนี่ยบอบช้ําเลยนะนางก็เลยเจอเข้าหลายๆหมัดเขาก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นไก่อยู่ในบ้านหลังนั้นหนึ่งนั่นแหละ เกิดเป็นไก่ที่นี้วันเวลาก็ล่วงผ่านไปแม่ไก่ก็ได้ตกฟองล่ายฟองด้วยกันแม่แมวก็มากินเนี่ยฟองไก่เหล่านั้นเสียเนี่ยแรงพยาบาทเนี่ยมันเห็นฟองไข่ไก่อันนั้นไม่ได้มันหิวมันจะกินอ่ะครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็กินเหมือนกันหมดเลยที่นี้แม่ไก่ก็ตั้งความปรารถนาว่ามันกินฟองของเราถึงสามครั้งแล้วแต่ตอนนี้มันจะกินตัวเราด้วยนะไอ แ, แมวตัวนี้มันแปลกมันจะกินเราอีกเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกชาตินาคอยได้กินมันคืนมัน่ง น, นะเนี่ยผูกเวนตายจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองไไก่เนี่ยไปเกิดเป็นเสือแม่เสือเหลืองเทีนี้ฝ่ายแมวแมวก็ตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นเนื้อเป็นเนื้อในป่าป่าใกล้ๆกันอีกกันะ ในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็มากินลูกทั้งทั้งหลายเนี่ยสามครั้งลูกตัวที่หนึ่งมาถูกกินอีกตัวที่สองตัวที่สามแล้วครั้งที่สามก็จะกินแม่เนื้อเข้าไปอีกนะเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อก็ตั้งความปรารถนาว่าพวกลูกของเราเนี่ยแม่เสือเหลืองตัวนี้เนี่ยกินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้ว พึงให้ได้กินมันกับลูกของมันเถอะนะจากเดราชานใช่หจากมนุษย์ไปเกิดเป็นไก่ยเงี้ยตายจากไก่มาเกิดเป็นเนื้อ<ม>พอมาเป็นเนื้อก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้ตายมาเกิดเป็นนางยักษินีอันนี้ฝ่ายหนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตายจากนางนางที่ที่คันตกใช่ไ ม, มาเกิดเป็นไก่ตายจากไก่มาเกิดเป็น แน่สับสนแน่ทำไงนะอ่าอ่าคุกคุณกาจอนี่จําแม่นมากไมนะอนะเมียหลวงก่อนอันน ouais ี้นะเมียหลวงตายจากเมียหลวงมาเกิดเป็นไก่ตายจากไก่มาเกิดเป็นเสือตายจากเสือมาเกิดเป็นนางยักษ์ใช pues ่ อ้าก็จะมาไม่สอบกันสักเลยนะเขียนคือสรุปแล้วนางยักษ์เมียหลวงนะตอนท้ายมาเกิดเป็นนางยักษิศีใหม่ทีนี้ฝ่ายแม่เสือเหลืองซึ่งเป็นอดีตของเมียน้อยนะจุติจากอัตภาพนะั้นแล้วก็มาเกิดเป็นนางกุลธิดานะก็คือต่างคนก็อีกคนไปเกิดเป็นยักษ์ อีกคนหนึ่งก็มาเกิดเป็นลูกสาวของเศรษฐีว่างั้นเถอะในเมืองสาวัตถีนางนี่ก็ถึงความเจริญแล้วต่อมาก็ได้ไปสู่ตระกูลของสามีในบ้านริมประตูเมืองทีนี้ในการต่อมานางก็คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษินีก็จำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้วก็ถามว่าหญิงสหายของฉันไปอยู่ที่ไหน mm. พวกชาวบ้านก็บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ภายในห้องนางยักษินีฟังคํานั้นก็แ้งพูดว่าหญิงสหายของฉัน คลอดลูกเป็นลูกชายหรือหญิงนาะอย่างเงี้ยจักไปดูเด็กนั้นยักก็เลยเข้าไปเลยทําเป็นแลดูก็จับเด็กนั้นเคี้ยวกินแล้วก็ไปครั้งที่สองก็ไปกินอีกงอมันค่ะถ้าเป็นภาคคนไทยเราก็อาจจะปอบมากินอย่างเงี้ยนะคลอดลูกใหม่ๆก็ปอบกินเลยคล้ายๆแบบนี้ทีนี้ในครั้งที่สามนางกุลธิดานี่ก็มีคันแก่เรียกสามีมาบอกว่านะใหนางยัศินีนี่กินบุตร ของฉันไปในที่นี้สองคนแล้วเดี๋ยวนี้จะไปสู่เรือนแห่งตระกูลและจะคลอดบุตรอย่างนี้แล้วก็ไปสู่เรือนแห่งตระกูลคลอดบุตรที่นั่นครั้งนั้นนางยักษ์ซีนีก็ถึงคราวส่งน้ําเขาเขามีวาระเป็นเวรที่จะต้องไปตักน้ําให้ท้าเวสวร์นะ่ะนะเอ้สวร์นี่สู้เราไม่ได้นะเรายัางมีน้ําประปาเลยนั่นยังต้องไปใช้นางยักษ์นี่ต้องไปตักน้ําให้ให้ท้าเวสวร์เนะี่ยทีนี้ด้วยว่านางยักษ์ซีนีทั้งหลายเนี่ยต้องตักน้ําจากสาอโนดาต ปนศีสะมาเพื่อท้าเวสวร์ตามวาระล่วงสี่เดือนบ้าง5เดือนบ้างจึงพ้นจากเวรได้ไปเปลี่ยนวาระไปตักน้ำอ่ะนะจากสอาอโนด่าไตรสวรรค์ชั้นจาตุ่มเนี่ยก็หนักเอาเรื่องกันนางยักษิศีเหล่านั้นก็มีกายบอบช้านางยักษิศีบ า, บ, า บ, าบางท่านนะก็ถึงสิ้นชีวิตก็มีส่วนนางยักษิศีนั้พอพ้นจากเวรส่งน้ําเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนของนางพก็เลยถามว่ายิงสายของฉันอยู่ที่ไหนาชาวบ้านก็บอกว่า ท่านจะพบเขาที่ไหนนางยักษิศีตนหนึ่งเนี่ยกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูล น, นางยักษิศีนั้นก็คิดว่าเขาจะไปในที่ไหนไหนก็ตามเถิดจกไม่พ้นเราไปได้ดังนี้แล้วก็อันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหนะแรงพยาบาทเนี่ยที่ที่ผูกกันไว้นานมากก็เลยวิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมืองนางกุมาริกาในวันที่ เป็นที่รับชื่อของทารกนั้นให้อาบน้ำตั้งชื่อแล้วก็กล่าวกับสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราจะไปสู่เรือนของเรากันเถิดดูเหมือนกับปลอดภัยแล้วนะยักไมนกินแล้วมั้งก็อุ้มบุตรไปกับสามีตามทางอันตัดไปใน่ามกลางวิหารถนนเนี่ยมันทางผ่านวัดพอดีก็เลยมอบบุตรให้กับสามีลงอาบน้ำในสระโบกคารณีข้างวิหารแล้วก็มารับเอาบุตรเมื่อสามีกำลังอาบน้าอยู่ยืนให้บุตรเนี่ยดื่มนม ก็แลเห็นนางยักษินีมาอยู่จําได้แล้วก็ร้องด้วยเสียงอันดังว่านายมาเร็วมาเร็วเถิดนี่นางยักษินีตนนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่อาจจะยืนรอสามีในที่นั้นมาได้ก็วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารและทีนี้ขณะนั้นนี่พระศ า, าสดาก็กําลังแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัทพอดีเลยนางกุลธิดานั้นก็ให้บุตรเนี่ยนอนลงหลังพระบาทแห่งพระตะถาคตเจ้านะเอาเด็กเนี่ยไปวางหลังพระพุทธเจ้าเลย ก็เลยกราบทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระ อ, องค์ถวายแด่พระ อ, องค์แล้วขอพระ อ, องค์ประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระ อ, องค์ด้วยเถิดยกลูกถวายพระพุทธเจ้าเลยอาสมณเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูนางยักษ์นี่เห็นนางกุลธิดาอุ้มลูกเข้าไปใช่ไหมก็จะเข้าไปในวัดบ้างเทพสมณเทพที่เฝ้าอยู่ที่ซุ้มประตูนี่ก็ไม่ยอมให้นางยักษิสีเข้าไปข้างในพระศาสดาก็รับสั่งเรียกพระ อ, อนนนมาว่า อน น, นเธอจงไปเรียกนางยักษณีนั้นมาพรา น, นนก็เลยไปเรียกนางยักษณีนั้นมาพระศาสดาก็ตรัสว่านางยักษณีจงมาเถิดเจ้าอย่าได้ร้องไห้ไปเลยอย่างนี้แล้วก็พระองค์ก็ตรัสกับนางยักษณีผู้มายืนอยู่ที่นั้นว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนี้ก็พวกเจ้านั้นไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้ว เวรของพวกเจ้าก็จะเป็นกรรมตั้งอยู่ตลอดชั่วกลับนะกับนี้ทั้งกับเจ้าจะเป็นเวรกันตลอดนะถ้าไม่ได้เจอเราเหมนกันถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้ามันก็จะผูกเวรเนต่างฝ่ายดังหาเรื่องอ่ะคล้ายๆกับพระเทวทัตกับพระเทวทัตที่ผูกเวรกับพระพุทธเจ้าอ่ะท่านผูกเวรมานานอ่ะมันได้ช่องเมื่อไหร่ก็จะหาแต่เรื่องอ่ะนะพระเทวทัตอยู่กับคนอื่นเนี่ยทาดีเยอะนะแต่ถ้าเจอพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยตบ่าแตกทันทีมันไส่ยังบอกไม่ถูกเลยเคยรือเปล่านั่นแหละ อันก็เหมือนกับทําไมงูกับพังพอนเนี่ยเจอกันไม่ได้นี่ผู้สัตว์ที่ผูกเวรกันหรอือเหมือนกับหมีกับไม้สักคลอเนี่ยก็เจอกันไม่ได้หมีมาเจอต้นไม้สักครอเมื่อไหร่ก็ต้องได้เรื่องเลยรหรือว่ากากับนกเขาเนี่ยนะกา ก, กับนกเขาเนี่ก็เจอกันไม่ได้นี่เป็นสัตว์ที่มีเวรกันเหตุไฉนพวกเจ้าจึงทําเวรและเวรตอบแก่กัน <est> <ส>เพราะเวร น, นั้นย่อมไม่ระงับได้ด้วยความไม่เวรเนี่ยย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร หาระงับได้ด้วยเวรไม่นั่นแหละพรก็เลยตรัสว่าในการในไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่านั่นแหละงนั้นคนที่จะเจริญเมตตาได้นั้นคนนั้นก็ต้องคลายจิตในการผูกเวรกับคนอื่นได้นะต้องเหมือนกับสมาทานศีลเลยนะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่มีเวรกับใครละ จะเป็นขอเป็นคนที่ไม่มีเวรนะตั้งความไม่มีเวรสัตว์อย่างนี้เพราะเห็นโทษของเวรใช่ไหมโอ้ถ้าเวรมันเกิดขึ้นมันผูกต่อเรื่องราวอย่างนี้เข้ามีแต่ความเสียหายทั้งหมดเลยเรานี่ไม่ต้องการมีเวรกับใครเลยนะถ้าเราไปมีเวรกับใครนี่เราทุกข์แน่นอนคนอื่นมามีเวรกับเราเขาจะมีความสุขได้อย่างไรเสร็จแล้วก็โอ้ให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนะก็เริ่มเจริญไปหาคนอื่นอย่างนี้บ่อยๆ ก็เริ่มอาศัยอุบายอันนี้เนี่ยจากเรื่องที่มีเวเนี่ยก็ปารบไปให้คนอื่นเขานั่นแหละเขาบอกว่าคนที่ผูกเวนกันะนะก็เหมือนอย่างว่าบุคคลเมื่อล้างเมื่อล้างซึ่งที่เปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นแลย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่สะอาดหมดจดหายกลิ่นเมนได้นะสกระปรกอยู่แล้วเนี่ยเอาปัสสาวะมาล้างปัสสาวะนะ สาได้อย่างไรโดยที่แท้ที่นั้นกลับเป็นของไม่หมดจดมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกฉั้นใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมไม่อาจยังเวรให้ระ ง, งับด้วยเวรได้โดยที่แท้เขาเชื่อว่าทําเวร น, นั่นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเทียวแม้ในการไหนๆขึ้นเชื่อว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับได้ด้วยเวรโดยที่แท้ชื่อว่า ย่อมเจริญอย่างเดียวด้วยประการชนี้ใช่มมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นัง น, น, นั้นเว น, นี้จ้อมแก้ด้วยการไม่จองเวนหรือเหมือนอย่างว่าของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นอันบุคคลล้างด้วยน้ำที่ใส ย, ย่อมหายหมดได้ที่นั้นย่อมเป็นที่หมดจดไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวนทั้งหลายย่อมระ ง, งับคือย่อมสงบได้แก่ย่อมถึงความไม่มีด้วยความไม่มีเวนด้วยน้าคือขันตินะ น้ำที่จะแก้เวรก็คือความอดทนอดทนในที่นี้ก็คือการไม่โกรธหรือว่าด้วยน้ําคือเมตตาจึงจะล้างเวรได้อันคนที่จะมีน้ําคือเมตตาเป็นต้นก็จะต้องด้วยการทําไว้ในใจโดยแยบคายแตก็ต้องมีโยนิโสมนัิการโยนิโสมนัิการอันนี้เนี่ยจะพิจารณาถึงโทษของการผูกเวรเหล่านี้ก็ได้หรือ พิจารณาถึงทุกโทษทั้งหมดเหล่านี้หรือด้วยการพิจารณาเรื่องกรรมก็ไดนะ้พิจารณาเรื่องกรรมว่าคนที่ผูกเวกรกันนี่เราจะต้องทำบาปเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้อีกมากมายขนาดไหนนะตัวอย่างตัวอย่างที่พูดถึงว่าผูกเวรกันนี่นะและชนชาติอื่นนะเขาไม่ค่อยมีความคิดแบบแบบคนไทยนะอันนี้ตัวอย่างี้อินเดียไม่ใช่อินเดียครับที่ที่ต่างประเทศนี่นะครับเช่น ชนชาติยิวกับบาลม์เนี่ยนี่นะหรือว่าก็ผูกเวงกันหน้าดูเลยนะครับฟัต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยแล้วก็สังเกตดูนะต่างประเทศอย่างอย่างความคิดเห็นของผู้นําในระดับมหาอํานาจนี่นะถ้าอะไรเกิดกับเขานี่นะเขาเขาไม่มีความคิดเลยที่จะเป็นเรื่องของการให้อภัยหรือเมตตาไม่มีไม่มีเลยครับ เพียงแต่ว่าจะต้องตอบให้สาสมให้มันกี่เท่ากี่เท่ากี่เท่านะเป็นอย่างนั้นทุกแทบจะเรียกว่าทุกชาติเลยนะมันเป็นคู่เลยนะชะ อ, อย่างายวกับอัลลับดีอันนี้มันไปบันทึกนะเขาไปออกอากาไปว่าอะไรเข้านี่นะนะหรือว่าอย่างเราได้ยินอย่างประธานเล็บดีเนะ่เวลาพูดเนี่ยว่านชนชาติเขาถูกแต่โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้ผูกเวรใครหรอกแต่ว่ามันมีแนวความคิดเหมือนกันนะ ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีแนวความคิดแบบนั้นตั้งแต่รับผูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมพ่อข่าลูกลูกก็ใช่ไหมลูกก็ต้องพยาบาทว่าชาตินี้เนี่ยเขาบอกว่าอีกสิกปีมาแก้แค้นก็ยังไม่ตายอ่ะนะความคิดแบบนี้มันก็เออมันเป็นคําที่เป็นอาศัพปุริสธรรมอ่ะนะเป็นเป็นปาปมิตรคําพูดที่เกิดจากปาปมิตรอ่ะมันจดจนะํามันจําแม่ไหนนะ บอกว่าอย่างเลือดต้องล้างด้วยเลือดแค้นต้องล้างด้วยน้ําตาอะไรเงี้ยมันเอ๊ะนี่ต้องชำระด้วยเงินยงงมันก็จำคําประเภทนี้ซึ่งไม่ใช่สุภาษิตอย่างเดียวเลยฉะั้นการที่ที่บุคคลเมื่อทรงจำแนวความคิดแบบนี้มากๆมีแต่เสียหายเป็นลักษณะของการผูกเวรฉนั้นคนผูกเวรแล้วได้รับความสุขความเจริญเนี่ยมีที่ไหนใช่อย่างหนังไทยสมัยที่ดูเด็กๆเลยนะ ก็มีสารพงษ์นี่ก็มีแต่ฆ่าตามล้างแค้นแทนพ่อแทนแม่แทนพี่แทนน้องอยู่นั่นแหละโอยวัน ว, นวนดูหนังก็มีแต่เท่านั้นนหะะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ใช่เราแม้ว่าจะเป็นคนที่ที่โกรธก็จริงแต่ว่าเอ้ผมนึกไม่ค่อยออกว่าผมเคยผูกเวงกับใครไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ใช่ว่าจะยกย่องตัวเองเลยนะอะนึกนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะเอ้เราเคย หมายมั่นว่าเราจะซัดจมมันตั้ไม่ค่อยมีฮะแปลกฮะของของมาก็ไม่มีแปลกถึงแม้ว่าจะไม่พอใจก็คงจะไม่พอใจแคบเฉพาะหน้าอะไรนี่นะะแต่จําได้วันก็มีในชีวิตคนทุกคนนะก็ต้องมีคนที่ทําให้เราเสียหายอะไรนี่นะมีนะะแต่ก็บอมาถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่แต่บางบางท่านที่คือกรรมฐานอย่าลืมว่ากรรมฐานสายเมตานั้นต้องเหมาะกับคนสายโทสะจริตนะ นันคนที่สายโทสะจริญนั้นมันก็จะมีปัญหาที่มันเริ่มเก็บน ะ, ะถ้าเราสามารถที่จะทบทวนชีวิตตั้งแต่อดีตมาเลยเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆมาเลยนะีคนที่จะฝึกเจริญเมตตาก็ต้องผ่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเคยผูกใครไว้บ้างใครไว้บ้างก็ต้องอธิษฐานผ่อนเรื่อยๆนะค่อยๆผ่อนเพราะาเริ่มฝึกเจริญเมตตาเมื่อไหร่นะเหตุการณ์ที่คนทําให้เราไม่ประทับใจเลยเนี่ยนะพอขณะที่โกรธเนี่ยฉันทาที่ปฏิมันแรงะฉันทาเป็นอธิบดีมันแรงเพราะเมื่อมันแรงเข้าเนี่ย พอมันจเจริญเมตตาระดับหนึ่งอุปนิสัยเก่าจะมาแหละอันพอมาปั๊บเนี่ยเราต้องนึกถึงคําสอนอย่างใดยอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอุบายในการถ่ายถอนไอแนวความคิดอ น, นั้นออกไปก็แต่ต่างคนต่างสะสมมานะจนถ่านซึ่งแปลกใจที่ว่าเวลาเนี่ยนะฮะมันผ่านไปแล้วขนาด น, นั้นเนี่ยความเข้มข้นข อ, ของจิตที่มันผูกเวงกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องใหญ่โตมากทีเดียวมันจึงผูกโกรอ ย, อยู่ได้เป็นปีๆหรือว่าตั้ง ตั้งสิบปีอะไรอย่างงี้นะจนพอใช่บางคนผูกโกรธสิปีได้นี่โอ้โหต้องแรงมหาสารเลย<ช>เพราะว่าเวลามันผ่านไปมันน่าจะค่อยๆเบาลงค่อยจางไปถูกไหมครับคือมันปลูกฝังฉันท่าเนี่ย <นะ S 2> ปลูกฝังฉั้นท่าลงไปว่าจะต้องเพิ่มขึ้นให้ได้เพิ่มขึ้นให้ได้ทีนี้ธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะต้องมีดอกเบี้ย <c oughs> จะต้องคิดทบต้นอยู่เรื่อยอ่ะจะต้องเสริมขึ้นเสริมขึ้น จนกว่าจะเห็นโทษของแนวความคิดเหล่านี้จริงๆเมื่อเห็นโทษแล้วก็เวรเนี่ยหาความเจริญให้แก่ตัวเราไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเขาก็ไม่ต้องการมีเวรเหมือนกันแล้วก็มีแนวความคิดอันนี้นะแนวความคิดเรียกว่าอาหิงสกัดเนี่ยนะแนวความคิดที่ไม่เบียดเบียนนี่ก็จะเริ่มมีคนที่สามารถคิดอย่างนี้ในสัตว์ไม่มีเวรไม่มีประมาณนั่นนะได้ชาได้นะทายังไงทีพอกพูนแนวความคิดอันนั้นได้น่หละ แต่ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องการเจริญเมตตาอย่างนี้เข้าแล้วรู้เรื่องปริญญาสามอย่างดีนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแลยนะสามารถที่จะต่อวิปัสสนาได้เพราะว่าคนที่มีความคิดในเรื่องเมตตาบ่อยๆนะใจจะเบาพอใจเบาปั๊บเนี่ยนะคำสอนส่วนหนึ่งที่เราศึกษาเราจะจําแม่นขึ้นนะเพราะว่านิวรณห้าเนี่ยเป็นเหตุให้ความจำเนี่ยเสือ่อมคนที่จําไม่แม่นส่วนหนึ่งก็คือนิวร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกลุ่มรุม ไม่ว่าจะเป็นการมฉันทพยาปาทถีนมิทธาเป็นต้นเนี่ยแต่ละอย่างนี่เป็นเหตุให้ความจําไม่ค่อยดีนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าอากุศลสายพยาปาท่านิวรเนี่ยไม่กลุ่มรุมแล้วกุศลธรรมก็จะเกิดได้บ่อยง่ายเสดายครับเวลาหมดอีกแล้วครับนะท่านเคยคิดอยากจะให้ใครฟังมาฟังอย่างนี้มั่งมีไหมถ้ามีนั่นแหละท่านถ่ายความรู้สึกไปแล้วล่ะท่านจะเ <S <S ริ่มเมตตาเป็นล่ะ